วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่พวกเราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นคําสอนที่ประเสริฐที่เป็นคําสอนที่มีคนค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเป็นคําสอนที่จะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้สร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวร ให้อยู่กับใจไปตลอดวันนี้เราจะมาฟังเรื่องการบูชาในพระพุทธศาสนาว่ามีกี่รูปแบบด้วยกันการบูชาในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าก็ส่งสอนไว้สองรูปแบบคือหนึ่งอาบิสสบูชาสองปฏิบัติบูชา การบูชาทั้งสองอย่างนี้เป็นการบูชาในพระพุทธศาสนาที่จะทำให้ผู้ได้กระทําการบูชาได้เจริญรุ่งเรืองในทางด้านจิตใจให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความเจริญมากขึ้น การบูชาทั้งสองรูปแบบนี้ก็เป็นเป็นเหมือนขั้นบันไดขั้นบันไดก็มีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามผู้ที่จะเดินขึ้นบันไดก็ต้องขึ้นเป็นขั้นขั้นไปในการบูชาของพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นขั้นบันไดขั้นที่หนึ่งก็ทา การบูชาด้วยอามิสะบูชาแล้วก็ขึ้นสู่ขั้นที่สองไปสู่ขั้นปฏิบัติบูชาต่อไปเพื่อที่จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดที่จะตามมาจากการกระทาบูชาทั้งสองขั้นนี้ขั้นบูชาขั้นแรกที่เรียกว่าอามิสะบูชาก็คือการบูชาด้วย การถวายเครื่องสักการะและข้าวของเงินทองต่างๆเพื่อเป็นการทํานุบารุงพระพุทธศาสนาให้มีอยู่คู่ไปกับโลกไปเป็นเวลาอันยาวนานคือการสร้างถาวรวัตถุต่างๆสร้างวัดวาอาราม สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิที่อาศัยของพระภิกษุสร้างศาลาที่ไว้สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาการทำนูบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการถวายข้าวของเงินทองต่างๆนี้เราเรียกว่าอามิสบูชา เพราะก่อนที่เราจะไปปฏิบัติบูบชาได้เราก็ต้องมีสถานที่ที่เราจะได้ไปศึกษาได้ไปปฏิบัติบูชากันถ้าไม่มีวัดวารามก็จะไม่มีสถานที่ที่เราจะได้ไปศึกษาไปปฏิบัติไปทำการปฏิบัติบูชาที่เป็นการบูชาที่สำคัญที่สุด แต่เบื้องต้นก็ต้องช่วยการสร้างวัดวารามช่วย ส, สร้างสถานที่ศึกษาสถานที่ปฏิบัติธรรมและช่วยสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสีของพระภิกษุสามเณรที่เป็นผู้ที่จะศึกษาผู้ที่จะปฏิบัติ เพื่อจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปเพื่อจะได้นำอาไปปฏิบัติและได้บรรลุ ถ, ถึงธรรมขั้นต่างๆได้ดังนั้นการทำบุญทำทานในพระพุทธศาสนานี้จิงถือว่าเป็น การทำบุญทำทานที่สำคัญยิ่งกว่าการทำบุญทำทานที่อื่นนอกจากทำบุญทำทานกับบิดามารดาผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดเบื้องต้นก็ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาให้ท่านได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่อัตคัดขัดสนไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนเมื่อได้บูชาพระคุณของบิดามารดาแล้ว ขั้นต่อไปก็มาบูชาพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการอุปถัมภ์อุปถาภพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรไม่ว่าจะเป็นการถวายทานชนิดต่างๆสงามคทานวิหารทานหรือการถวายผ้ากรถิ่นพร้อมทั้งสร้าง พร้อมทั้งการถวายบริวารต่างๆที่เป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีพของพระภิกษุสา ม, มนเณรเบื้องต้นเราชาวพุทธนี้เราจะต้องดูแลพระพุทธศาสนาก่อนทําบุญกับพระพุทธศาสนาก่อนถ้าพระพุทธศาสนายังขาดแคลนอยู่ก็ควรที่จะช่วยกันสนับสนุน พระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนานี้เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราถ้าขาดพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราก็จะไม่มีที่พึ่งทางใจพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ พระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่สำคัญแก่จิตใจของพวกเราเหมือนกับโรงพยาบาลที่เป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกายของพวกเราพวกเราก็ต้องมีโรงพยาบาลมีแพทย์มีพยาบาลไว้ช่วยรักษาพยาบาลร่างกายของเราพวกเราก็ต้องมีวัดวาอารามมามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คอยดูแลรักษาจิตใจของพวกเราให้อยู่อย่างโล่เมียนเป็นสุขให้อยู่ปราศ จ, จากทุกภัยต่างๆดังนั้นเบื้องต้นนี้เราก็ต้องทำบุญขั้นแรกก็ทำบุญกับบิดามารดาก่อนผู้มีผู้มีพระคุณแก่ชีวิตของเราผู้ให้กำเนิดกับพวกเรามาอย่าปล่อยประละเลยหน้าที่ ถ้าพ่อแม่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ท่านอยู่อย่างสุขสบายก่อนเมื่อได้ทำเรียบร้อยแล้วค่อยมาทำกับพระพุทธศาสนาต่อไปถ้าพระพุทธศาสนางขาดแคลนอยู่ยังต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ก็ควรที่จะสรรหามาบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อ จะได้มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทางชีวิตของเราให้สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าพระพุทธศาสนามีพร้อมพอเพียงแล้วจะไปทำบุญที่อื่นต่อก็ได้ทำบุญที่โรงพยาบาลทำบุญที่โรงเรียนทำบุญที่ผู้สูงอายุผู้ ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนต่างๆผู้ที่ประสบกับภัยต่างๆอันนี้ก็เป็นการทำบุญได้แต่ในเบื้องต้นนี้ต้องอย่าลืมพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลของจิตใจของพวกเราเวลาจิตใจของเราไม่สุขไม่สบายเราก็ต้อง มีโรงพยาบาลไว้รักษาโรคใจของพวกเราโรงพยาบาลของโรคใจก็คือวัดวารามต่างๆส่วนแพทย์พยาบาลก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะรักษาจิตใจของเรานี้ให้หายจากโรคภัยทางด้านจิตใจให้จิตใจของเรามีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว น, นี่คืออามิสบูชา การบูชาด้วยวัตถุข้าวของต่างๆและเครื่องสักการะต่างๆดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นอันนี้เป็นการน้อมจิตใจของเราให้ล้ำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีต่อพวกเราทั้งหลายเพราะถ้าขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพวกเรานี้ก็จะต้องติด อยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจะไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นรอดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยจะออกจากกองทุกนี้ได้ต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้มาบอกทางเป็นผู้มาสอนวิธีที่จะทำให้เราได้หลุดออกจาก คุตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้จะเกิดมากี่พพกี่ชาติก็ไม่มีวันที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จะต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะศึกษาวิธีและนำวิธีที่ศึกษานั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดโอกาสที่พวกเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่ยากมากการเกิดเป็นมนุษย์ตามลำพังก็ยากพอสมควรแล้วการมาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ยิ่งเป็นความยาก อีกหลายร้อยหลายพันเท่าเพราะการปรากฏของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งนี้ไม่ได้เกิดอยู่ได้บ่อยครั้งนานๆจะเกิดขึ้นมาได้สักครั้งหนึ่งคำว่านานนี้ก็คือเป็นเวลาหลายล้านล้านล้า น, ล, านล้านปีด้วยกันเอาล้านนี้มาคูณสักร้อยล้านครั้งปีถึงจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง ให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกให้เป็นผู้นำพาสัตว์โลกให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันพวกเราจึงถือว่าเป็นพวกที่มีโชคมหาศาลที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสานาในครั้งนี้ในครั้งที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันและได้มาพบกับพระพุทธศาสานากัน เป็นโอกาสทองที่นานานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งที่เราไม่ควรที่จะปล่อยให้หลุดมือไปวิธีที่จะทำให้เราไม่ปล่อยให้พระพุทธศาสนาหรือประโยชน์ที่เราจะเพึงได้รับจากพระพุทธศาสนาหลุดมือไปก็คือวิธีการกระทำบูชาทั้งสองระดับนี้เอาทำอมิสรบูชาก่อนเมื่อทำอมิสบูชาได้แล้ว ก็จะมีกําลังที่จะขึ้นไปสู่การปฏิบัติบูบชาต่อไปนี่คือที่มาของการบูชาในพระพุทธศาสนาความจริงพระพุทธศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านไม่ต้องการอะไรจากพวกเราเลยเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสง์สาวกทั้งหลายก็ดี ท่านมีพร้อมมูลทุกอย่างแล้วหัวใจของท่านเต็มไปด้วยปรมังสุขขังแล้วเป็นไปด้วยบรมมมสุขเป็นไปด้วยความอิ่มความพอไม่มีความขาดตกบกพร่องที่จะต้องการได้อะไรจากใคร mm. ท่านสามารถอยู่ของท่านได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยดูแลไม่ต้องมีใครมาคอยสนับสนุนท่าน แต่ที่เราต้องมาสนับสนุนพระพุทธศาสนานี้ก็สนับสนุนเพื่อตัวพวกเราเองนี่แหละเพราะพวกเรายัางต้องพึ่งพระพุทธศาสนาต้องพึ่งพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้เป็นผู้คอยสั่งคอยสอนให้พวกเราได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะถ้าเราไม่ศึกษาก่อนแล้วไปปฏิบัติเราจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนก่อน mm. ก็เหมือนกับผู้ที่ปฏิบัติในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา mm. ปฏิบัติไปอย่างไรมากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย mm. จาเป็นจะต้องมีพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นผู้สอนเป็นผู้บอกวิธีที่จะพาให้ใจของเราได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ดังนั้นการกระทําบูชากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ความจริงไม่ได้ทําให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําให้กับตัวเราเหมือนกับเรา <c oughs> สร้างโรงพยาบาลนี้เราก็สร้างเพื่อรักษาตัวเรา เราไม่ได้ท่าสร้างไว้เพื่อไปรักษาผู้อื่นอันนี้การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราเพื่อเราจะได้มีที่ไปศึกษาพราะธรรมคาสอนอย่างวันนี้ <Yeah. S 1> ท่านมาที่นี่ได้ก็เพราะที่นี่มีวัดวันนี้ก็เกิดขึ้นจากการอามิสบูชาของพุทธพุทธศาสนกชนนะ ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีความกตัญญูกตเวทีที่ทราบซึ่งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงได้แสดงความกตัญญูด้วยการกระทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการทาอมิสบูชาสร้างวัดวาอารามกันขึ้นมา สร้างที่สร้างสถานที่ศึกษาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้กับพวกเรานี่แหละไม่ได้สร้างให้กับใครเมื่อพวกเราสร้างแล้วพวกเราก็ต้องมาปฏิบัติกันไม่ใช่สร้างแล้วก็บอกว่าให้คนอื่นปฏิบัติเรายังไม่ปฏิบัติอันนี้ก็ผิดเจตนาลมของการสร้างวัดสร้าง ว, วัดวารามต่างๆ สร้างวัดวาอารามเพื่อให้พวกเราจะได้ไปปฏิบัติธรรมกันได้เพราะถ้าไม่มีวัดวาอารามนี้เราก็จะไม่ได้มีที่ปฏิบัติธรรมกันดังนั้นอย่าไปสร้างเพื่อคนอื่นออสร้างเพื่อพวกเราเองเออไม่ใช่สร้างให้พระภิกษุสามเณรสร้างให้พวกเราพรภิกษุสามเณรท่านก็ท่านก็มีที่ของท่านท่านก็ปฏิบัติไป ท่านได้ปฏิบัติแล้วแต่พวกเรายังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยพราเราจึงต้องควรก้าวข้ามจากขึ้นจากขั้นอามิสบูชาไปสู่ขั้นปฏิบัติบูบชาให้ได้ <Yeah. S 1> อย่าติดอยู่แต่ขั้นอามิสบูชาเพียงอย่างเดียวคอยแต่ทาบุญทำทานคอยแต่สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างฐานวัถตถุต่างๆถวายทานชนิดต่างๆ ถวายผ้ากถินถวายผ้าปา่าถวายสังฆทานอันนี้ยังอยู่ในขั้นแรกอยู่คือขั้นอามิสบูชาขั้นอามิสบูชานี้ไม่สามารถทำให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกได้การที่จะหลุดพ้นจากกองทุกนี้ต้องขึ้นไปสู่ขั้นที่สองคือขั้นปฏิบัติบูบชา ที่เป็นขั้นที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเราชาวพุทธทุกคนได้กระทํากันคือการปฏิบัติบูบชาแต่ก็ให้ทําขั้นแรกก่อนให้ทําอมิตสบูชาก่อนเพื่อที่จะได้หนึ่งมีกําลังที่จะได้ไปปฏิบัติบูบชาได้สองมีสถานที่ที่จะได้ไปปฏิบัติบูบชากันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า การบูชาพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนีคือการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา <Yeah. S 1> ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม <Yeah. S 1> ผู้นั้นแลคือผู้บูชาเราตถาคต yeah. Yeah. การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโมนั่นเอง คือการปฏิบัติตามแนวของมรรคแปดสำมาทิฏฐิสำมาสังคโปสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องสำ ม, มาสังคโปก็คือความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ไปสู่สัมมากรมมันโตคือการกระทําที่ถูกต้องสำ ม, มาวาจาคือการพูดที่ถูกต้อง สัมมาอาชิวะคือการมีอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายาโมาคือความภาคเพลินที่ถูกต้องสัมมาสติคือการเจริญสติที่ถูกต้องสัมมาสมาธิคือการตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้องนี่คือการปฏิบัติ ที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาชเราต้องปฏิบัติมรรคแปตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่เราได้ทํามิสสบูชาแล้วเราได้ทําบุญทําทานกันแล้วเราก็ควรที่จะเริ่มศึกษามรรคแปดกันศึกษาว่ามรรคแนี้มีอะไรบ้างขั้นแรกก็ศึกษาเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ อั น, นิสงส์ของการศึกษาธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง<ม>ให้รู้ว่าหนึ่งเราเป็นใครกันแน่เราเราเป็นร่างกายหรือเราเป็นจิตใจถ้ามีสัมมาทิฏฐินี้เราจะเห็นว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจที่เป็นดวงวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกาย ชั่วคราวแล้วเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปทำอะไรต่างๆตามความอยากของเราซึ่งเป็นการกระทาที่จะดึงให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องการจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องหยุดการกระทาต่างๆที่ใจเราอยากจะทำคือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากมีอยากเป็น และความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือสัมมาทิฏฐิให้รู้ให้รู้ว่าพวกเรานี้เป็นจิตวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือตอบสนองตันหาความอยากของพวกเราซึ่งเป็นการกระทาที่จะพาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากนี้ จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายไว้เป็นเครื่องสนับสนุนตอบสนองความอยากนั่นเองถ้าตราบใดใจเรายังมีความอยากอยู่ใจของเราก็จะคอยหาร่างกายอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปใจเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาตอบสนองความอยากของใจต่อไปถ้าเราต้องการที่จะยุติ การเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมาหยุดความอยากกันนั่นเองหยุดความอยากที่มีอยู่ภายในใจด้วยการ<ม>ปฏิบัติตามมรรคแปดนี้กันแรกเราก็ศึกษาให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรกันสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหยุดความอยากต่างๆหยุดด้วยอะไร<ม>ก็หยุดด้วยมรรคแปดนี้ หยุดด้วยความคิดเราต้องหยุดคิดหยุดคิดไปในทางความอยากใจเรานี้จะคิดอยู่ตลอดเวลาไปตามความอยากต่างๆเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากดืมเดี๋ยวก็อยากรับประทานเดี๋ยวก็อยากไปนู่นเดี๋ยวก็อยากมานี่เดี๋ยวก็อยากได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้อยากมีความอยากตลอดเวลาใจของเราตั้งแต่เตขึ้นมานี้ถูก ความอยากนี้เป็นผู้ผักดันให้คิดไปหาสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆเ <P. S 1> พราะถ้าเราไม่ไปหาสิ่งต่างๆเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขกันนั่นเองเราจึงต้องคอยหาอะไรมาให้ความสุขกับเราหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆมาให้เราเสพให้เราสัมผัสกันเพื่อที่ใจของเราจะได้มีความสุข แต่มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเป็นความสุขที่ต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่สามารถที่จะเสพได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมามันคนที่เสพยาเสพติดเวลาที่ขาดยาเสพติดแล้วก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทันทีนั้เราต้องหยุด ความคิดที่จะพาดึงให้เราไปเสพยาเสพติดกันเราก็ต้องคิดยุติการไปทำสิ่งที่จะทำให้เกิดโทษในการที่จะไปหาสิ่งต่า ง, างๆมาเสพก่อนหรือเราต้องมีการกระทำที่ที่ถูกต้องเรียกว่าเบื้องต้นก็สอนให้คิดไปในทางที่ถูกต้องคิดไปในการกระทำที่ไม่ทำให้เกิด ความเสียหายให้กับตัวเราเพราะการกระทาของเรานี้ถ้าเราไม่ควบคุมระวังเราก็อาจจะไปทำการกระทาที่เกิดโทษกับเราแล้วทำให้เราต้องไปมีการรับโทษต่างๆเช่นอาจจะต้องไปติดคุกติดตารางเป็นต้นถ้าเราทำผิดกฎหมายทำบาปเป็นต้น เราก็ต้องมีการกระทาที่ปลอดภัยจากโทษจากภัยต่างๆการกระทาที่ทําให้เราไม่ไปติดคุกติดตารางก็คือการไม่ทําบาปนี่เองมไม่ฆ่าสัตว์มไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาที่เป็นการกระทาที่จะทาให เรามนเมาแล้วจะไม่สามารถควบคุมการกระทาที่ไม่ดีได้ข้อแรกเราต้องระงรับการกระทาบาปก่อนระงรับการกระทาบาปเรียกว่าสัมมากัมมันโตการกระทาที่ถูกต้องก็คือการกระท<ม>การไม่กระทาบาปนั่นเองไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีส่วนสัมมาวาจาก็คือการพูด การพูดก็ต้องพูดที่จะไม่ทาให้เกิดโทษกับตัวเราหรือกับผู้อื่นเราก็ต้องละเว้นจากการพูดปดแล้วก็ควรจะละเว้นจากการพูดที่ไม่เกิดประโยชน์เช่นการพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันอันนี้เป็นสัมมาวาจาคือการการพูดที่ถูกต้อง แล้วเมื่อเราได้มีสัมมากรรมโตสัมมาวาจาแล้วเราก็ต้องมาดูที่อาชีพของเราสัมมาอาชีวว่าอาชีพของเรานี้เป็นอย่างไรเป็นสัมมาอาชีวหรือไม่เคยเป็นอาชีพที่ควรจะมีหรือไม่อาชีพที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนของผู้นี้เรียกว่าสัมมาอาชีว อาชีพที่ไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนี้เรียกว่ามิ mm hmm. จฉาอาชีว์เช่นอาชีพขายสุรายาเมาอาชีพค้าส mm ัตว์ตัดชีวิตอาชีพที่ทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายค mm hmm. ้าอาวุธค mm hmm. ้าเครื่องดักสัตว์ค้ายาพิษต่างๆ mm hmm. อาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการที่จะ หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องกับอาชีพเหล่านี้รมอาชีพที่ทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับผู้อื่นเนชะ่นรมอาชีพเกี่ยวกับปัจจัยสี่สร้างบ้านเย็บผ้าขายอาหารขายยารักษาโรคอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นสามาชีพ ถ้าเรามีสัมมาชีพแล้วเราก็จะได้ไม่มีปัญหาไม่ไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนแล้วเราก็มาสู่มรรคข้อที่ต่อไปคือมามีสัมมาวายโมคือความเพียรชอบความเพียรชอบของผู้ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือเพียรสร้างธรรมที่เราไม่มีให้เกิดขึ้นมาเพียรละ ทำที่ยังมีเพียรละอาธรรมที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปเพียรรักษาธรรมที่เราได้สร้างขึ้นให้อยู่กับใจของเราไปเรื่อยๆและเพียรป้องกันอาธรรมที่เราละแล้วไม่ให้กลับคืนมาอีกเช่นถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วก็ต้องพยายามรักษาไปเรื่อยๆอย่าอย่าหยุดรักษาเพราะการรักษาศีลห้านี้เป็นการ หยุดการกระทําที่เป็นอาธรรมนั่นเองเป็นการกระทําที่ไม่ชอบเ mm hmm. มื่อรักษาได้แล้วก็ต้องรักษาอย่าไปหยุดอย่ากลับไปทําบาป mm hmm. ถ้ารักษาถ้าละเว้นจากการทําบาปได้แล้วก็อยากลับไปทําบาปอีก mm hmm. แล้วก็สร้างธรรมที่เรายังไม่มีให้มีเกิดขึ้นมา mm hmm. เช่นธรรมก็คือศีลแปด น, นี่ถ้าเรายังไม่ได้รักษาศีลแปดมีเพียงแต่ศีลห้า เราก็ต้องมาสร้างศีลหะศีลแปดกันเบื้องต้นเราก็มารักษาศีลแปดในวันพระก่อนเอาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนในเบื้องต้นเพราะเรายังอาจจะไม่มีกําลังพอที่จะสามารถรักษาได้ทุกวันก็มาลองรักษาในวันพระก่อนหรือในสมัยนี้ก็เอาวันหยุดทํางานเป็นวันพระก็ได้ เพราะสมัยนี้วันพระกับวันหยุดทางานมักจะไม่ตรงกันความจริงความหมายของวันพระก็คือวันหยุดทำงานวันที่เราจะได้มารักษาศีลแปดกันมาสร้างธรรมที่เรายังไม่มีกันก็คือสติสมาธิแล้วก็ปัญญาอันนี้จะต้องมีวันหยุดทำงานถึงจะทำได้ถ้าวันไหนไปทำงานเราก็จะรักษาศีลแปดได้ยาก การรักษาศิ้นแปดนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมคือสติและสมาธิและปัญญานี่เเราก็ต้องทาในวันหยุดสมัยนี้วันหยุดของเราคือวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราก็ถือวันนี้ว่าเป็นวันพระได้ว่าเราจะได้สามารถรักษาศิ้นแปดได้สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ จเจริญสัมมาสติจเจริญสัมมาส ม, มาธิได้ด้วยสัมมาวายาโมคือความเพลี่ยนชอบนี่คือมรรคที่เราจะต้องเจริญกันต้องสร้างธรรมที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นมาให้ละอธรรมคือความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาต่างๆให้น้อยลงไปอยู่เรื่อยๆให้ละการกระทำบาป ให้สร้างบุญสร้างกุศลให้สร้างธรรมขึ้นมาให้ชำระจิตใ จ, จให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือธรรมต่างๆที่เราต้องเพียรพยายามสร้างกันอยู่เรื่อยๆเราต้องมีเวลาในการที่เราจะปฏิบัติธรรมกันปฏบิบัติบูชานี้ต้องใช้เวลามากกว่าอามิสบูชาอามิสสบูชานี้เพียงแต่พากกระเป๋าซื้อของแล้วก็ไปถวายใส่บาตรก็เสร็จแล้ว แต่การปฏิบัติบูชานี้ต้องใช้เวลามากต้องใช้เวลาเป็นวันวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีด้วยซ้าไปแต่ก็จำเป็นที่จะต้องทำเพราะท้าไม่ทำก็ไม่ได้ <Yeah. S 1> การจะหลุดพ้นจากความทุกนี้ไม่ได้หลุดพ้นจากการมีศรัทธาเพียงอย่างเดียวไม่ได้หลุดพ้นจากการทำอภิสบูชาเพียงอย่างเดียวต้องเกิดจากการมีปฏิบัติบูชาอย่างต่อเนื่อง และต้องเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆจากการปฏบิบัติบูชาในอาทิตย์ละหนึ่งวันก็ต้องเพิ่มเป็นสองวัน3วัน4วันหวันไปจน ก, กระทั่งครบเจวันเลยต่อไปก็ต้องปฏิบัติทุกวันจนกว่าจะบรรลุ ถ, ถึงธรรมขั้นสูงสุดเป็นเหมือนกับจุดไฟพอไฟเริ่มไหม้เชื้อแล้วมันก็จะลามไปของมันเอง ดิเชื้ออยู่ตรงไหนไฟก็จะลุกตามไปถ้าเราเริ่มได้จุดไฟเราเริ่มได้ได้ปฏิบัติกันในวันพระแล้ว <Yeah. S 1> เริ่มถือเริ่มถือศีลแปดกันแล้ว <Yeah. S 1> เราก็จะได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรย <Yeah. S 1> พราะพอเราได้เริ่มปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เริ่มเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติว่าทำให้จิตใจของเรานี้เย็นสบายขึ้น <Yeah. S 1> มีความทุกข์น้อยลง yeah. เป็นการวิธีหาความสุขที่แท้จริงและเป็นการดับทุกข์ที่แท้จริงต่างจากวิธีที่เราใช้ในการดับทุกข์คือการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นความดับทุกข์แบบประเดียวประดาวเวลาเราทุกข์ใจเราก็ออกไปเที่ยวกันออกไปชอปปิ้งกันออกไปดูไปฟังอะไรกันไปกินไปเดือมอะไรกันความทุกข์ใจก็หายไปชั่วคราว เดี๋ยวพอเรากลับมาบ้านก็ความทุกข์ใจก็กลับมาใหม่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกำจัดกำจัดทุกอย่างถาวรวิธีที่จะกําจัดทุกอย่างถาวรนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติบูบชาเราต้องมาปฏิบัติกันเพราะการปฏิบัติบูชานี้จะกําจัดเหตุที่ทําให้มาสร้างความทุกข์ให้กับใจคือกิเรตันหาโมหะอวิชชาต่ oh างๆนี่เอง เมื่อกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้ถูกลดน้อยลงไปความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็ลดน้อยลงไปตามลําดับความสุขในใจก็จะโผลดขึ้นมาตามลาดับเพราะความสุขกับความทุกข์ในใจนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนความมืดกับความสว่างนั่นเองถ้าที่ไหนมีความมืดที่นั่นก็ไม่มีความสว่างพอความมืดหายไปความสว่างก็จะเข้ามาแทนที่ ความทุกข์ใจหายไปความสุขใจก็จะเข้ามาแทนที่เราไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขจากที่ไหนวิ่งหาความสุขจากการกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี้เท่านั้นแล้วความสุขมันก็จะตามมาเองจนกระทั่งเป็นบรลมสุขเป็นปรมังสุขขงังพอกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มาคอยสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจนี้ หายไปหมดแล้วความทุกข์ภายในใจก็จะหายไปหมดพอความทุกข์ภายในใจหายไปหมดความสุขภายในใจก็จะเป็นความสุขเต็มร้อยเต็มที่เป็นบรล์มโสุขขึ้นมาทันทีนี่แหละคือวิธีกำจัดความทุกข์และสร้างความสุขของของนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าและของพระอาลัยตถาวตทั้งหลายผู้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของพวกเรา ที่พวกเราถือเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะยึดคําสั่งคําสอนของครูอาจารย์อันยิ่งใหญ่นี้เพื่อนําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนเรียกว่าเป็นปฏิบัติบูบชาผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเข ป, ปฏิบัติธรรมตามสวากขาโตภะกวาตาธรรมโมคือปฏิบัติในมรรคแปดผู้นั้นแหละคือผู้บูชาเราตถาคต ฉนั้นขอให้พวกเราจงอย่าทำเพียงแต่อาิสบูชาเพียงอย่างเดียวอาิสบูชาก็เป็นการบูชาที่สำคัญแต่เป็นบันไดขั้นแรกที่จะพาให้เราขึ้นสู่บันไดขั้นที่สองที่จะนำให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างถาวรอามิสบูชานี้ทำให้เราดับความทุกข์ได้ชั่วคราว mm hmm. เดี๋ยว ความทุกข์ที่เราดับด้วยมิสบูชามันก็จะกลับมาใหม่เพราะเราไม่ได้ไปถอนรากถอนโคนของความทุกข์คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานั่นเอง mm hmm. เป็นเหมือนเราไปตัดกิ่งตัดก้านของต้นไม้ mm hmm. เรายังไม่ได้ถอนต้นไม้ออกจากจากจากดินตัดกิ่งตัดกา้านเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ การกระทำอามิสบูชานี้ก็เป็นเหมือนเพลงตัดกิ่งตัดก้านของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาตัดแล้วเดี๋ยวมันก็ฟื้นกลับคืนขึ้นมาใหม่ได้ความโลภความโกรธความหลงต่างๆนี้ไม่หมดไปจากการทําอามิสบูชาเพียงแต่ทําให้อามิความโลภความโกรธความหลงนี้หดตัวลงไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ได้นะ ต้องใช้การปฏิบัติบูชาเหมือนกับการตัดต้นไม้เบื้องต้นเราก็ตัดกิ่งก่อนกิ่งต่างๆที่มันไปเกี่ยวกับกิ่งของต้นไม้ต้นอื่นเพราะถ้าไม่ตัดกิ่งเวลาตัดลำต้นมันก็อาจจะไม่ล้มลงมาได้จึงจำเป็นที่จะต้องตัดกิ่งก่อนที่จะไปที่ยังไปค้ำอยู่กับกิ่งไม้ของต้นไม้ต้นอื่นอยู่พอตัดกิ่งต่างๆออกแล้วเราก็สามารถมาตัดโคนไม้ได้ ตัดคนไม้เสร็จแล้วเราก็ถอนถอนรากถอนโคนขึ้นมาจากดินอีกครั้งหนึงอันนี้ก็จะเป็นการตัดกิเลสได้อย่างถาวร mm hmm. ก็เป็นความจำเป็นที่จะต้อทำตามขั้นตอนของมรรคแปเนี่ยเช่ mm hmm. นการรักกการทำบุญทำทานอมบิสบูชาการรักษาศีลห้านี้ mm hmm. ก็เป็นเหมือนกับการตัดกิ่งตัดก้านเนี mm ่ย hmm. แล้วต่อมาเราก็มาถือศีลแปด เพื่อมาภาวนาเพื่อมาเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิพอได้สมาธินี้ก็เหมือนกับการที่เราได้ตัดต้นลำต้นของต้นไม้เมื่อตัดลำต้นแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องถอนรากของต้นไม้ขึ้นมาจากดินพอถ้ายังไม่ถอนรากออกมาจากดินต้นไม้ก็ยังไม่ตายทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็จเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาใหม่ได้พอเราตัด ต้นของกิเลสตัณหาแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญามาขุดรากของกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจเนี่ยทำไมเราจึงต้องปฏิบัติทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเพราะเป็นขั้นตอนของการตัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับพวกเรานั่นเองเราจึงต้องทำเป็นขั้นเป็นตอน พรการกระทาแต่ละขั้นมันมันง่ายมันมันไปจากง่ายไปสู่ยากขึ้นเราไปทําขั้นยากๆเลยก็จะทําไม่ไหวเราก็ต้องทําขั้นง่ายก่อนขั้นต้นก็นทําอามิสสบูชาก่อนตัดการเอาเงินเอาทองไปสนับสนุนกิเลสตัณหาด้วยการไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายเอาเงินเอาทองมาทําอามิสสบูชาดีกว่า เอามาสนับสนุนพระพุทธศาสนามาทำนนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการถวายปัจจัยสถวายข้าวของเงินทองถวายถาวอลและวัตถุต่างๆ <c oughs> แล้วก็รักษาศีลห้าควบคู่กันไปพอเราทำได้แล้วเราก็จะมีกำลังที่จะขึ้นไปสู่การรักษาศีลแปต่อไปได้ รักษาศีห้าได้แล้วต่อไปเราก็จะรักษาศีแปดได้ <c oughs> รักษาศีแปดเพื่อที่เราจะได้ยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองอันนี้ก็เป็นการเหมือนกับปิดกั้นทางของกิเลสตัณหาไม่ให้กิเลสตัณหาออกมาสแสดงบทบาทไม่ให้มันออกมาสแสดงทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะมันจะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเวลามันออกมาแสดงเวลาไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นแล้วๆก็จะเกิดความโลภขึ้นมาพอเกิดความโลภ ก, ก็เกิดความร้อนใจขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาก็ร้อนใจขึ้นมาฉะนั้นก็ต้องถือถือศีลแปดเพื่อที่จะระ ง, งับการออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของกิเลสตัณหา พยายามเก็บมันไว้ในใจคุมมันไว้ในใจโดยการสำรวมกะตาหูจมูกลิ้นกายการถือศีลแปดนี้เป็นการถือศีลเรียกศีลสังวรเรียกว่า อ, อินทรีสังวรอินทรีก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสังวรก็คือสำรวมเนื้อปิดกั้นปิดกั้นทางออกของกิเลสตัณหา ไม่ให้กิเลดไปดูไปฟังไปริม้มรสไปดมกลิ่นเรียกว่าถือสินแปดกันนะเป็นศินข้อที่สามก็ร ง, งับการกิเลสตัณหาคือตัวราคะตัณหาไม่ให้ออกมาแสดงไม่ให้ออกมาร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแล้วก็รั ง, งับความหิวความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารด้วยการให้รับประทานเพียงไม่เกินเที่ยงวัน เพราะว่าการรับประทานเพื่อร่างกายนี้รับประทานเพียงครั้งสองครั้งก็พอเพียงทําให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานทั้งวันทั้งคืน<ม>การรับประทานทั้งวันทั้งคืนนี้เป็นการรับประทานตอบสนองตัาหาความอยากในรูปเสียงเกลื่อนลดของอาหารนี่เราก็ต้องหยุดมันปิดกั้นมันไม่ให้มันออกมาเพราะว่าต่อไปเราจะต้องเข้าไปทําลายมันนั่นเอง ถ้ามันออกมาทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่จะไปตามจับมันยากเหมือนกับวัวควายนี่ถ้าเราไม่ขังไว้ในคอกนี่ถ้าปล่อยให้มันอยู่นอกคอกมันก็ไปไปไปได้ทั่วทุกขนทุกแห่งเวลาไปจับตัวมันมานี่จะจับมันยากเด่นจะจับมันเอาไปขายนี่มีคนมาขอซื้อซื้อวัวซื้อควายถ้าเราไม่ขังไว้ในคอกก็ต้องไปตามหาวัวควายนี่ กว่าจะได้มาก็เหนื่อยดีไม่ดีไม่ได้เสียได้ซ้ําไปกิเลสตัณหามันก็เป็นเหมือนวัวควายนี่แหละเราก็ต้องขังมันไว้ในข้อถ้าเราจะต้องการจับมันมาฆ่าถ้าปล่อยมันอยู่นอกข้อนี่มันไม่รู้มันไปไหนนะมันไปทางตาเนี่ยทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันไปทั่วไปหมดจะเร่งมันจับเข้ามาให้มันอยู่เฉยๆเพื่อเราจะได้ฆ่ามันนี้ก็จะยากน เราถึงต้องสร้างข้อขึ้นมาเพื่อกักตัววัวควายสินแปดนี่ก็เป็นเหมือนข้อที่เราจะมากักกิเลสตัณหาคือการ ม, มาฉันทะความอยากเสพลภเสียงกลิ่นลสดโผฏฐพัชชนิดต่างๆให้มันอยู่ในใจอย่าปล่อยให้มันออกมาทางตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อที่เราจะได้เข้าไปกำจัดมันได้ง่ายไม่เะนนั้นถ้ามันออกมาทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วมันพาเราไปนูน่นแทนที่จะอยู่วัดนี่ เดี๋ยวก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เดี mm ๋ย hmm. วก็ไปอยู่โรงหนังโรงละครเดี๋ยวก็ไปอยู่งานเลี้ยงของคนนั้นคนนี้ mm hmm. ไปได้ทุกทุกขนทุกแข่งถ้าเราไม่มีข้อ ก, กั้นมาไว้ mm hmm. แต่พอเราถือศีลแปดแล้วนี่ไปไหนไม่ได้แล mm hmm. ถือศีลแปดนี่ก็ต้องอยู่บ้านถ้าใช้บ้านเป็นที่ปฏิบัติก็อยู่ที่บ้านถ้าใช้วัดเป็นที่ปฏิบัติก็อยู่ที่วัด mm hmm. ไม่ส่งออกไป ทางตาหูจมูกนิ้งกายเพื่อที่เราจะได้เข้ามาจับตัวมันมันมดมันไว้ให้มันนิ่งเมื่อจับตัวมัดให้มันนิ่งแล้วเวลาจะฆ่ามันก็จะง่ายอย่าอันนี้ฆ่ากิเลสนะไม่ใช่ฆ่าวัวฆ่าควายพูดเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังฆ่ากิเลสไม่บาปแต่ฆ่าวัวฆ่าควายนี่บาปแต่พูดเพียงแต่เปรียบเทียบไม่เห็นภาพว่ากิเลสตัณหานี้ก็เป็นเหมือนวัวควายนี่ ถ้าเราต้องการฆ่ามันนี่เบื้องต้นเราต้องล้อมคอกไว้ก่อนล้อมคอกด้วยศีลแปดเมื่อมีคอกแล้วทีนี้มันก็ออกไปไม่ได้ออกไปทางตาหูจมูกทิ้งกายไม่ได้ออกไปนอกวัดไม่ได้ออกไปนอกบ้านไม่ได้มันก็จะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านทีนี้เราก็เอาเชือกมามัดมันให้มันอยู่เฉยๆจะได้จะได้ฆ่ามันได้ง่าย ถ้ามันยังอยู่ในคอกมันยังวิ่งได้ก็ยังเหนื่อยอยู่ต้องคอยไปวิ่งไล่มันแต่ถ้ามันถูกเอาเชือกมามาัมามาดให้มันนอนเฉยๆให้มันนิ่งนี้มันก็จะเชื่อดมันได้ง่ายขึ้นเหตนเบื้องต้นเราต้องมีเชือกมามัดมันให้มันอยู่นิ่งๆเ <Yeah. S 1> ชือกก็คือสติ yeah. เราต้องการให้กิเลสอยู่นิ่งๆนี้เราต้องมีสติคอยหยุดความคิดต่างๆเพราะกิเลสมันใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ ถ้าเราคิดกิเลสมันก็จะออกมาพาให้เราไปคิดไปทางกิเลส ท, ท, ทันทีพอเริ่มคิดก็จะคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าหยุดคิดปั๊บมันก็ไม่สามารถที่จะไปมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้สิ่งที่จะมามัดจิตมัดกิเลสให้อยู่นิ่งๆก็คือสติสตินี้เป็นเหมือนเชือกที่จะมามัดกิเลสตัณหาให้อยู่นิ่งๆให้อยู่เฉยๆ ด้วยการหยุดความคิดโดยการคหยุดความคิดเชือกที่เรามาใช้นี่เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นเชือกชนิดต่างๆเช่นพุทธานุสติเราเลอกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธก็จะหยุดความคิดได้สังคานุสติธรรมานุสติก็ได้จะสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณก็ได้อันนี้เรียกว่าเป็นเชือกที่จะมามัดหยุดกิเลส หรือจะใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้อาณาปณะสติแล้วแต่ว่าเรากำลังอยู่ในในอริยาบทไหนถ้าเรายังมีการเคลื่อนไหวอยู่การดูลมหายการใช้ลมหายใจเป็นเชื่องมามะัใจก็จะยาก<ม>เพราะว่าการดูลมนี่มันยาก<ม>ก็ต้องใช้อย่างอื่นใช้พุทธานุสติใช้พุทโธพุทโธ<ม>เวลาที่เรายังมีการเคลื่อนไหวในอริยาบท4อยู่ ก็ใช้พุโทโธค่อยดึงใจให้อยู่กับปิริยาบทนั้นๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆต้องพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่มันยังไม่นิ่งถ้าอยากจะนิ่งนี้ต้องมานั่งเฉยๆต้องไม่ทําอะไรให้นั่งกายนั่งเฉยๆแล้วถ้าใช้พุโทโธก็ใช้พุโทโธต่อไปได้ถ้าอยากจะเปลี่ยน มาใช้ดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้ถ้าไม่อยากจะบริกรรมอยากจะดูลมหายใจถ้าดูลมหายใจได้ก็ดูลมหายใจไปดูเฉยๆไม่ต้องไปทาอะไรกับลมหายใจไม่ต้องไปบังคับให้หายใจลึกหายใจสั้นหายใจหยาบหรือหายใจละเอียดปล่อยให้เป็นเปตามธรรมชาติของลมมันเองแต่เบื้องต้นเวลาเริ่มปฏิบัติเนี่ย ลมมักจะหยาบยมลมมักจะสั้นแต่พอร่างกายได้พักผ่อนไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วจิตได้เข้าสู่ความสงบมากขึ้นลมก็จะละเอียดขึ้นจ ะ, ะจะเบาขึ้นแล้วก็จะยาวขึ้นอันนี้ไม่ต้องไปบังคับมันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันสิ่งที่เราต้องทำก็คือให้ดูที่ปลายจมูกเป็นจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกเท่านั้น ให้รู้ว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าตอนนี้ลมกำลังออกจะสั้นจะยาวก็ให้รู้ต่างความเป็นจริงไปไม่ต้องวิตกถ้ามันรู้สึกว่าจับลมไม่ได้เหมือนกับไม่หายใจก็ไม่ต้องวิตกเพราะว่าลมมันละเอียดจนกระทั่งเราจับมันไม่ได้แต่มันยังหายใจอยู่ตราบใดที่เรายังมีสติรู้อยู่นี่เราไม่มีวันตายนั่งกายจะไม่ตายจากการนั่งดูลมหายใจเข้าออก ไม่ต้องไปกลัวเวลารู้สึกว่าไม่หายใจนี้แสดงว่าลมละเอียดมากก็ให้รู้ไปเฉยๆให้รู้อยู่กับความละเอียดของลมรู้อยู่กับการไม่มีลมนี้ไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้จิตก็จะนิ่งสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมาเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงขึ้นมา เรียกว่านัตถิสันติพลังสุขขังความสุขนี้ต่างจากความสุขที่เกิดจากปิติเนี่ยความสุขนี้เกิดจากความสงบเกิดจากความนิ่งของใจอันนี้เป็นเป้าหมายของการเจริญสติสมาธิเพื่อต้องการที่จะมัดตัวกิเลสตัณหาให้อยู่เฉยๆพอจิตเข้าสมาธิแล้วนี้ไม่ต้องไปควบคุมกิเลสแล้วมันไม่ทํางานเหมือนพอเรา เอาเชือกมามัดตัววัวแล้วนี้มันอยู่เฉยๆแล้วมันดิ้นไม่ได้แล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วทีนี้เราก็ไปหามีดที่จะมาฆ่ามันท่านนี่ใช้มีดเพื่อที่มาเฉือนมาฆ่ามันฉันใดพอเราได้สมาธิแล้วเราก็จะได้อุบเบกขาใจมันกิเลตนั้นก็จะนิ่งความรักชังกลัวหลงนี้มันก็จะไม่มีแต่เวลาที่เราจะ ใช้มันนี้เราต้องใช้ตอนที่เราออกมาเราต้องออกจากสมาธิมาแล้วมาเจอสิ่งต่างๆที่มากระตุ้นให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมามแล้วพอกิเลสตัณหาเกิดขึ้น ม, มันเพิ่งเหมือนกับเพิ่งตื่นขึ้นมาจาก<ม>จากสมาธิจากอุเบกขามันยังไม่มีกำลังมากเราก็จะสามารถใช้ปัญญาคือตายรักษอนิจจทุกขังอนัตตานี้มา ค่ามันได้เวลามันอยากได้อะไรก็ให้พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์สิ่งต่างๆในโลกนี้มันทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยมมันไม่ถาวรมันไม่เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเวลาได้อะไรใหม่ๆได้อะไรมาใหม่ๆก็เกิดความสุขแต่พอสิ่งที่ได้มามันเปลี่ยนไปมันเริ่มเก่าลงหรือมันเริ่มเกิดการชํารุดทรุดโทรมขึ้นมา ไม่สามารถให้ความสุขกับเราเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆความสุขนั้นก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ให้เรามองถึงความเสื่อมของสิ่งต่างๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมเวลาเจริญเวลาเกิดก็ให้ความสุขกับเราเวลาดับเวลาเสื่อมก็จะให้ความทุกข์กับเราหนีไม่พ้นจะไปห้ามมันไม่ให้เสื่อมไม่ได้ จะห้ามไม่ให้มันดับไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเรามันเป็นธรรมชาติของทุกอย่างในโลกนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมถ้าเราไปหวังหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะต้องผิดหวังไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องเสียใจเราจะต้องร้องห่มร้องไห้เพราะ สิ่ง Phoenix, ต่างๆนั้นสักวันหนึ่งมันก็จะต้องเสื่อมจะต้องดับไปนั่นเองอย่นถ้าเราเห็นว่ามันจะต้องเสื่อมมันจะต้องดับแล้วเราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากได้มันเท่านั้นเองเราก็จะไม่อยากได้อะไรเมื่อเราไม่อยากได้อะไรกิเลสมันก็จะหมดกาลังลงเพราะเราจะไม่ทาตามความอยากตามความโลภพ อ, <ก>อเราไม่ทำแล้วทีนี้ความโลภความอยากมันก็จะหมดกาลังไป ต่อไปมันก็จะไม่มาบรบกวนใจเราอีกต่อไปใจเราก็จะว่างจะเย็นตลอดเวลาเพราะความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความอยากความโกรธความหลงจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี้มันหายไปหมดแล้วหายไปเพราะกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาถูกกำจัดด้วยปัญญานี่และสมาธิสมาธิก็คืออุเบกขา ถ้าใจยังไม่มีอุเบกขานี้จะไม่มีกำลังฝืนความอยากได้ต้องมีอุเบกขาแล้วก็มีปัญญาสอนใจให้เห็นถึงเหตุผลว่าทำไมไม่ควรไปอยากได้สิ่งต่างๆเพราะเป็นการไปหาความทุกข์นั่นเองไม่ได้ไปหาความสุขเพียงแต่ว่ามีความสุขบางอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเองสิ่งต่างๆที่เราได้มาใหม่ๆนี้มันให้ความสุขกับเราแต่เดี๋ยวมันต้องเสื่อมมันต้องเปลี่ยนไปพอเวลามันเสื่อมมันเปลี่ยน ความสุขที่มันอยู่ข้างหน้ามันก็หายไปความทุกข์ที่อยู่ข้างหลังก็จะโผล่ขึ้นมาต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วต้องมีอุเบกขาตัวมีความมีความนิ่งที่จะฝืนความอยากได้พอมีทั้งสองอย่างแล้วก็จะสามารถสู้กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาได้กิเลสตัณหาโมหะวิชชาเมื่อเราไม่ไปตอบสนองความต้องการของมันมันก็จะหมดกำลังไปเอง ต่อไปมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมารบกวนใจเราอีกต่อไปใจเราก็จะว่างจากความทุกข์ทั้งหลายเมื่อความทุกข์หายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความสุขความสุขที่เป็นความสุขที่เป็นธรรมชาติของจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์จิตใจที่ปราศจากความทุกข์นี้ก็จะเป็นจิตใจที่มีแต่ความสุขไม่ต้องไปหาความสุขเพียงแต่กำจัดความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาให้หมดไปเท่านั้นเอง แล้วความสุขการยิ่งใหญ่มันก็จะตามมาเองอันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติบูบชาบูชาที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราปฏิบัติกันแต่ก็ให้เราทรอา ม, มิสซาบูชาก่อนถ้าเรายังอ่อนแออยู่ยังไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติบูบชายังถือศีลแปดไม่ได้ก็ทำบูททำทานรักษาศีลห้าไปก่อนแล้วต่อไป ก็จะมีกำลังถ้าเรารักษาศีลห้าได้อย่างมั่นคงรักษาได้ทุกวันทุกเวลาเราก็จะพร้อมที่จะขึ้นสู่การปฏิบัติบูบชาขึ้นสู่การรักษาศีลแปดเพื่อไปปีกวิเวกไปอยู่ที่สงบอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสต่า ง, างๆเพื่อที่เราจะได้เอาสติมามัดกิเลสตัณหาให้มันอยู่นิ่งๆในสมาธินั่นเอง ะเลืนสติเพื่อทำใจให้สงบให้เข้าสมาธิให้เข้าอัปปนาสมาธิเพื่อให้เกิดอุเบกขาแล้วพอมีอุเบกขาติดอยู่ในใจแล้วก็สามารถใช้ปัญญาสอนใจให้เลิกความอยากต่างๆได้พอเลิกความอยากต่างๆได้ความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปแล้วความสุขคือบรล ม, มาสุขก็จะปรากฏขึ้นมาทันที นี่แหละคือความสุขของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกท่านหาความสุขแบบนี้เพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความสุขที่ถาวรเป็นนิจจังสุขขังอนักตาจะเป็นความสุขของใจไปตลอดจะไม่มีวันพลาดพลาดจากใจไปต่อไปจะอยู่กับใจไปตลอด ความสุขของพระนิพพานในพระทัยของพระพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ยังเหมือนในวันที่พระ อ, องค์ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันหายไปและเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาแบ่งปันให้กับพวกเราให้พวกเรานี้สามารถเข้าถึงความสุขอันนี้ได้ถ้าพวกเรามีการกระทำบูชาทั้งสองระดับคือขันแรกก็ทําอามิสบูชาไปตามกาลังก่อน แ้วพอมีกําลังเพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มการปฏิบัติบูบชาต่อไป mm hmm. เมื่อได้มีการปฏิบัติบูชาแล้วในที่สุดเราก็จะได้เข้าถึงบรมลมะสุข mm hmm. คือความสุขของพระนิพพานท mm hmm. ี่ท่านตัดไว้ว่านิบานังปรมังสุขขังนิพพานคือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ปราศจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานั่นเอง mm hmm. นี่คือเรื่องราวของการบูชาในพระพุทธศาสนา ที่นำเมามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิจิตังปฏิตังตุงหังคิปเมวะสนิจโต สัพเพปุเรนโตสังกาปาจันโทปนะราโสยะธามนิโชติราโสยะธาสัพพ i ติโยวิวัจจันโตสัพพารโควินาศตุมาตเตปาวัตตวันตรายอสุขีทิขายุโกภะ An อาพิวาทานสีิทสานิจังวุธาปะจายิโนยัตตารโอธรรมวะทานติอายุมโนสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่ารอถามตอนที่เราเลิกแล้วเพราะไม่สะดวกที่จะตอบว่าะจะต้องเก็บข้าวเก็บของอะไรงั้นถ้าอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ยอดติดตามทางเฟซมุ๊กมี321ท่านย t u b บ162ท่าน วิทยุออนไลน์14ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ169ท่านรวมทั้งหมดเป็น666ท่านเจ้าค่ะอันนี้ตองหกเลยนะเชิญถามได้เจ้าค่ะมีคำถามจาก inbox นะคะขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับพระส่งกู้เงินได้ไหมครับเหตุที่กู้ ต้องการใช้ปัจจัยดูเวลาพ่อครับดูแลพ่อครับต้องเดินทางและค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลจะอาบัติไหมครับขอความกรุณาเมตตาผมด้วยครับอ๋อกู้มไม่ได้หรอกครับไปกู้เงินเป็นนี้เป็นศิลไม่ได้ก็บอกบุญได้บอกว่าจําเป็นที่จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายดูแลพ่อถ้ามีผู้เขามีจิตศรทัทธาเขาจะช่วยเขาก็ช่วยได้ แต่อย่าไปขอเขาขอไม่ได้เพียงบอกบุญได้บอกว่าบิดามารดามไม่สบายต้องไปดูแลรักษาคำถามจากคุณปิยนาศกราบนามัสการพระอาจารย์เวลาดิฉันนั่งสมาธิ ในขณะที่จิตสงบไปข้างในรู้สึกทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันรู้สึกสว่างบ้างเป็นบางครั้งถัดไปรู้สึกจิตมันโยกไปโยกมาแล้วมีอาการหมุนอยู่ข้างในดินฉันรู้สึกกลัวเจ้าค่ะเลยตั้งสติพยายามตั้งมั่นและดูสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นรู้สึกตัวสูงขึ้นตัวยืดยาวเจ้าค่ะ หลังจากทุกอย่างดับลงดิฉันออกจากสมาธิรู้สึกตัวสั่นใจเต้นแรงอยากกูเรียนถามพระอาจารย์ว่าข้อที่หนึ่งอาการที่เกิดขึ้นปฏิบัติถูกต้องไหมเจ้าคะถ้าเกิดอาการก็แสดงว่าขาดสติแนละ้วถ้ามีสติมันจะไม่เกิดอาการอะไร ม, มันจะว่างมันจะนิ่งพอเราไม่มีสติดูลมหรือไม่มีสติค อ, อยควบคุมใจ ปล่อยให้มันไปดูมันว่ามันกําลังทําอะไรอยู่มันก็เลยเกิดอาการต่างๆขึ้นมาได้เพรพอมันเกิดอาการนี้เราต้องรีบกลับมาดูลมต่อหรือพุทโธต่อเพื่อที่จะได้ทําให้มันนิ่งไม่ให้มันเกิดอาการอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้เพราะจิตมันสามารถที่จะแสดงอาการแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นแล้วจะทําให้เราเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาได้แต่มัไม่มีพิษไม่มีภยยัยอะไร แต่มันอาจจะเป็นแบบหนั ง, นงผีหนังอะไรขึ้นมาให้เราดูถ้าใจเราไม่กล้าหานมันก็อาจจะทำให้เร า, าหวาดกลัวขึ้นมาได้แล้วอาจจะไม่กล้านั่งต่อไปเห็นต้องนั่งเราต้องมีสติคอยควบคุมใจอยู่ลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธไปถ้ามันนิ่งแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยๆถ้ามันเริ่มมีอาการก็ต้องหยุดมันทันทีอย่าไปตามรู้ เจ้าค่ะคำถามที่สองมีข้อควรระวังตรงไหนใหม่เจ้าคะ่ะก็ระวังตรงสติเนะี่ยมีสติแล้วไม่มีสติคอยดูสติเป็นหลักแล้วก็ดูใจว่านิ่งหรือไม่นิ่งถ้านิ่งแล้วก็ไม่ต้องพุทธโธก็ได้ไม่ต้องดูลมก็ได้แต่ถ้ายัางไม่นิ่งหรือเริ่มเริ่มจะมีอาการอะไรขึ้นมาก็ต้องรีบใช้สติหยุดมนันทันทีมีคาถามจาก youtube เจ้าคะ่ะ กราบธรมัสการค่ะผู้ที่บรรลุพระอรหันต์ไปแล้วสามารถมาชุดช่วยโลกมนุษย์หรือจิตญาณอื่นที่อื่นได้หรือไม่เจ้าคะถ้าได้ป่านนี้ก็มีพระพุทธเจ้าต้องเยอะแยะที่นิพพานไปแล้วระารหันที่นิพพานไปแล้วมาช่วยกันท่นก็ช่วยได้ในตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เท่านั้นเพราะท่านสามารถติดต่อข้มนุษย์ได้ผ่านทางร่างกาย พอไม่มีร่างกายแล้วท่านก็ไมู่จะติดต่อกับพวกเราอย่างไรยกเว้นวนะ่าพวกเราเป็นคนที่มีมีมียานวิเศษสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ก็อาจจะมีพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์บางรูปอาจจะมาช่วยเราก็ได้เช่นหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าท่านมีตาในท่านสามารถติดต่อกับพวกเทวดาได้พวกกายทิพย์ได้ ท่านบอกบางครั้งก็มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมโปรดท่านอันนี้ก็แต่ท่านก็มาได้เฉพาะเป็นกรณีผู้ที่มีเครื่องรับผู้ที่ไม่มีเครื่องรับเครื่องส่งก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่จิตใจแข็งโนสนโนแคร์ไม่สนใจใครเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ถือเป็นคนโชคดีมีบุญหรือเปล่าคะ เพราะไม่ต้องมีพระรัตนาตายเป็นที่พึ่งทางใจเลยและไม่ต้องฝึกเจริญสติให้เสียเวลาด้วยไม่จริงหรอกคนที่เห็นแก่ตัวนี่เป็นคนที่มีกิเลสไม่ใช่เป็นคนที่สิ้นกิเลสคนที่สิ้นกิเลสนี่จะไม่เห็นแก่ตัวจะมีความเมตตากรุณาบุดิตาต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเังั้นการที่มีความเห็นแก่ตัวนี่อย่าไปคิดว่าตัวเองจะเก่ง เดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็จะเจอเหตุการณ์ที่ตอนเองไม่สามารถที่จะรับได้ก็ได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายแก่เท่าเวลาร่างกายจะตายนี้คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นใครในโลกนี้จะต้องหวาดผวากันทนะั้งทั้งหวาดกลัวกันทั้งนั้นคำถามต่อไปจากคนนะุณนรุมลที่ว่าจิตไม่มีเพศจะพิจารณาให้เห็นความจริงเพื่อละความหลงได้อย่างไรเจ้าคะ เอาเรื่องเพศไม่สําคัญไม่ต้องไม่ต้องไปพิจารณาพิจารณากิเลสว่าตอนนี้เราโลภหรือเปล่าเราโกรธหรือเปล่าเราอยากหรือเปล่า<ม>ถ้าเรายัางโลภยังอยากยังโกรธอยู่เราก็ต้องหยุดมันด้วยด้วยสมาธิด้วยปัญญา<ม>เรื่องเพศนีมนมนมนนน้มันเป็นเรื่องของความชอบชอบผู้หญิงเขาก็ว่าเป็นผู้ชายชอบผู้ชายเขาก็ว่าเป็นผู้หญิงแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องของความชอบมันไม่เกี่ยวกับกิเลส ปฏิบัตนี้ไม่ได้ฆ่าค่าเพศให้กลายเป็นไม่มีเพศไม่เป็นเพศหญิงไม่เป็นเพศชายไม่ใช่เพศมันเป็นเพียงแต่ความชอบของจิตแต่ละดวงที่เคยปลูกฝังมาในใจมาตลอดเคยชอบอย่างนั้นก็ชอบมาเรื่อยๆนั้นไม่ไม่เป็นไรไม่มีตัญหาถ้าชอบแล้วไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ไม่ได้ไปทําบาปทํากรรมหรือทาอะไรหรือทําอย่างมากก็ทํา ทำผิดกับตัวเองเพราะความชอบนี่ก็ยังเป็นกิเลสอยู่<ม>ก็ต้องตัดความชอบออกไปให้ได้ถ้ตัดได้แล้วก็จะไม่มีกิเลส<ม>ใจก็จะไม่ทุกข์<ม>ถ้าชอบแล้วไม่ได้สิ่งที่ชอบก็จะทุกข์<ม>หรือได้สิ่งที่ชอบมาแล้วเสียไปในภายหลังก็ทุกข์เอง<ม>ยังสู้ไม่ไม่ชอบดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีอะไร<ม>อยู่กับอยู่กับความว่างแล้วจะไม่ผิดหวังจะไม่มีการสิ้นไม่มีการหมดเพราะความว่างนี้จะอยู่ไปเรื่อย ิ่่ไไมมมมีีเกดดับคำถามต่อไปจากคุณบีวชีราวิทย์กราบขอเมตตาจากพระอาจารย์สองข้อครับข้อหนึ่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่จำาพชาติในอดีตไม่ได้ทำให้บางคนคิดว่าชีวิตจะเป็นอะไรก็ช่างมันชาติหน้าก็จำไม่ได้ละขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยให้ข้อคิดประเด็นนี้ด้วยขอรับก็ ดูปัจจุบันก็แล้วกันดูว่าเราสุขหรือเราทุกข์เอาแค่นี้ก็พอถ้าเราทุกข์เราก็หยุดมันอย่าไปทำในสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ถ้าเราทำแล้วมันเกิดความสุขเราก็ทำแต่สิ่งนั้นแต่ต้องระวังว่ามันมีสุขมีสุขสองอย่างสุขแท้กับสุขปลอมสุขปลอมก็เป็นเหมือนยาขมเคลือบน้าตาลสุขในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เกาแบบสุขแท้สุขที่เป็นน้ําตาลรวนๆหวานไปตลอดสุขแท้ก็ลงความสุขที่เกิดจากความสงบเท่านั้นถึงจะเป็นสุขแท้นอกนั้นแล้วเป็นความสุขปลอมเท่านั้นสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วความทุกข์ที่มันเครือบอยู่มันก็จะโผล่ขึ้นมาแทนที่ ไม่ต้องสนใจว่าชาติก่อนได้เป็นอะไรหรือไม่ชาติหน้าจะมีอะไรหรือไม่ไม่เป็นไรไม่สำคัญสำคัญว่าชาตินี้จะอยู่ยังไงแบบไม่มีความทุกข์อยู่ยังไงให้มีแต่ความสุขแต่เป็นความสุขที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้ไม่ไปสร้างความปัญหาให้กับผู้เป็นความสุขที่เกิดจากการอยู่คนเดียวเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบคาถามข้อที่สอง เข้าใจว่าสมาธิมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลแล้วถูกหรือไม่ครับถ้าครูบาอาจารย์ที่สอนเจ้าชายสิทธัตถะก่อนตัดสรุนั่งสมาธิเป็นแล้วเหตุใดท่านเหล่านั้นจึงไม่บรรลุธรรมก่อนถูกผิดขอกราบขออภัยครับอ๋อท่านไม่มีปัญ ญ, ญาท่านมีสมาธิแต่เป็นสมาธิแบบชั่วคราวความสุขแบบชั่วคราวพอจากสมาธิมาความทุกข์ที่ถูกสมาธิกดก็ ก็เปิดเผยขึ้นมาใหม่กิเลสตัณหาก็ออกมาแสดงอาการสร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาอยู่ในสมาธิกิเลสตัณหาก็เหมือนถูกสมาธิกดเอาไว้ก็ไม่สามารถที่จะแสดงความทุกข์ให้กับใจได้แล้วก็ไม่มีใครรู้วิธีว่าจะทําไงให้กิเลสหายไปเวลาออกจากสมาธิมาก็มีต้องมีคนปัญญาระดับพระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายสิทธัตถานี่ท่านถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ท่ามีความสามารถที่จะค้นคว้าหาสาเหตุของความทุกข์ใจได้จอนในที่สุดท่านก็ตัดสืบพาอริยสัจสีที่ไม่มีใครรู้มาได้ด้วยตนเอง mm hmm. พอใครรู้ว่าอริยสัจสีเป็นอย่างไร mm hmm. แล้วก็สามารถกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีใ น, ในใจให้หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องเข้าไปในสมาธิคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อเรานั่งสมาธิจนเกิดอุเบกขาแล้วต้องพิจารณาอะไรต่อเจ้าคะระหว่างตอนนั่งสมาธิเวลานั่งไม่ต้องทําอะไรพยายามรักษาอุเบกขาให้อยู่นานๆเหมือนกับการเอาน้ําเข้าไปแช่ในตู้เย็นเวลาแช่น้ําเราก็ต้องการให้มันเย็นก็ต้องแช่นานๆเพราะว่าเวลาเราเอ า, เ อ, าออกจากตู้เย็นเราจะได้น้ําเย็นมันดื่มจิตใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าเราเข้าไปในสมาธิแล้วใจมันจะเหมือนเข้าตู้เย็นเข้าไปแล้วก็ต้องพยายามรักษาให้มันอยู่ไปนานๆมานให้มันเย็นมากๆเย็นนานๆเพราะเวลาเราออกมามันจะได้เย็นต่อได้ไม่หายไปทันทีอุเบกานี้ที่เราได้จากสมาธิเราจะมันจะติดมากับใจเวลาออกจากสมาธิมาใจเราถึงแม้ว่ายังจะคิดได้อยู่แต่มันจะยังไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง มันก็จะเป็นจิตที่มีความนิ่งความสงบความไม่ไม่ทุกข์ร้อนกับเรื่องราวต่างๆเราก็จะสามารถใช้ปัญญามาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะไม่ร้อนเหมือนกับตอนที่ไม่มีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาพอเกิดความอยากขึ้นมาใจมันจะร้อนจะดิ้นจะทรมานยิงต้องไปทำตามความอยากกัน แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วมันจะไม่ร้อนมันจะไม่ดิน้นมันจะเฉยเฉยสู้กับความอยากได้คำถามต่อไปจากคุณศีวิกาแกรบรรมสการเจ้าค่ะ<ม>อยู่บ้านปฏิบัติธรรมอารัธนาสินแปดสมทานสินเองทำอย่างนี้ถูกต้องหรือผิดเจ้าคะ อ, อ๋อสินเราสมทานเองได้เเพียงแต่ตั้งจิตอธิษฐานก็เสร็จแนละ้วบอกว่าวันนี้จะรักษาสินแปดก็รักษาไป ไม่ต้องไปมีพระมาให้ศีลเราพระเป็นมีหน้าที่สอนให้เรารู้ว่าศีลมีอะไรบ้างศีลแปดมีอะไรบ้างศีลห้ามีอะไรบ้างถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องไปถามพระดูแต่พอเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปถามพระทุกครั้งทุกครั้งที่เราจะรักษาศีลเราก็ตั้งจิตอธิษฐานได้เลย คำถามต่อไปจากคุณสดมโนรัตน์กราบเรียนรรมพระอาจารย์ครับการที่เราเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเพื่อขายให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงต่อหรือเอาไปเพื่อฆ่าเป็นอาหารแบบนี้เรามีส่วนในการทําบาปไหมครับก็มีเพราะว่าเราอาศัยเขาให้เราได้รายได้แล้วก็เอาไปขายแล้วก็เขาก็เอาไปฆ่าเราก็มีส่วนร่วมสนับสนุนให้เขาได้ฆ่าสัตว์นะครับ ถ้าเขาเอาไปขายแล้วเขาเอาไปปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ควรที่จะกระทําเพราะส่วนใหญ่เขาก็ไปฆ่านั้นแหละไม่ขายเขาเอาไปทําบุญไม่เอาไปเลี้ยง Porque เพเลี้ยงก็เป็นภาระกับเขาเขาต้องการออกไปฆ่าเพื่อเขาจะได้มีรายได้ถ้าเก็บไว้เลี้ยงเขาก็มีแต่รายจ่ายต้องคอยจ่ายอยู่เรื่อยๆเหตุนีก็เป็นส่วนใหญ่การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ก็เลี้ยงเพื่อเอาไปฆ่ า, <ร>า<ง>หมูเห็ดเป็ดไก่พวกนี้เขา เลี้ยงว่าเขาจะได้เอาไปค้าจะได้มีรายได้งั้นอย่าทำอาชีพแบบนี้ดีกว่าไปขายอย่างอื่นดีกว่าขายยาดีกว่าขายเสื้อผ้าดีกว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครคําถามต่อไปจากคุณสุพนัดกราบลินถามพระอาจารย์ครับการที่จะเริ่มเจริญปัญญาต้องอยู่ในสมาธิขั้นไหนครับและเริ่มต้นจากการเจริญปัญญาต้องทําอย่างไรครับ ออการเวลาอยู่ในสมาธินี้ไม่ได้เป็นช่วงที่เราจะเจริญปัญญาเพราะช่วงนั้นเราต้องการให้ใจหยุดคิดให้นิ่งให้อยู่เฉยๆก็เจริญปัญญาไม่ได้จะเจริญปัญญาได้ก็ต้องหลังจากออกจากสมาธิมาเราก็พิจารณาตายรักอนิจจ์ทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่เรายังยึดยังติดอยู่ยังถืออยู่ว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เช่นข้าวของเงินทองก็ต้องพิจารณาว่าเป็นอนิจจ์ไม่เที่ยง วันใดวันหนึ่งมันก็จะจากออกไปได้อนาตตาเราไปห้ามมันไม่ได้เมื่อเราห้ามไม่ได้เวลามันจากเรามันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็อย่าไปยึดไปติดกับเงินทองเข้าขอ ง, งต่างๆอยู่แบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างนี้ก็จะไม่ทุกข์แต่ท่านต้องอยู่แบบต้องมีอย่างเดียวถ้าไม่มีเราก็จะต้องทุกข์จึพิจารณาว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หัดอยู่แบบไม่มีดีกว่าหัดอยู่แบบมากน้อยสันโดษ มีน้อยๆมีเท่าที่จำเป็นคือปัจจัยสี่ก็พอจะได้ทุกข์น้อยหน่อยแต่ถ้าไม่อยากจะทุกข์เลยก็ต้องเข้าไปในต้องหยุดความอยากต่างๆความอยากที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องตัดไปให้หมดแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปอันนี้ต้องทำตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วในขณะอยู่ในสมาธิไม่ให้คิดไม่ให้ใช้ปัญญาให้ใช้สติคอยควบคุมจิตให้นิ่งไปนาน เพื่อจะได้มีความมีอุเบกขาออกมาเราจะได้ใช้อุเบกขานี้มาสู้กับความอยากต่างๆได้มีคำถามจากโยมประเทศลาวนะเจ้าคะ่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า ตอนแรกปฏิบัตินั่งสมาธิจนจิตสงบแล้วพอลมหายใจหายไปจากการนั่งสมาธิพอกลับมานั่งสมาธิอีกครั้งตอนนี้จิตไม่สงบควรทำอย่างไรดีคะพระอาจารย์ใจถึงจะกลับมาทำให้จิตว่างได้อีกครั้งแล้วครั้งนั้นถึงขั้นไหนถึงเป็นพระโสดาบันได้คะ อ, อ๋ออย่าไปคิดถึงอดีตเนี่ยอย่าไปคิดถึงความว่าง<ม>ที่เราได้คราวที่แล้ว เวลานั่งสมาธิกใกล้มีสติดูลมไปแล้วอยู่กับพุโทโธไปถ้าไปคิดถึงความว่างที่ได้แล้วอยากได้มันว่างมันจะไม่ว่างนะมันจะว่างต่อเมื่อเรามีสติอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมันก็จะเข้าไปสู่ความว่างได้คําถามต่อไปกราบพระอาจารย์ครับสมาธิเสื่อมจากตอนเคยบวชเป็นเนนนั่งสมาธิจิตความสงบ แต่พอมาเป็นคาราวาสนั่งสมาธิเท่าไหร่ก็ไม่พบความสงบแบบที่บวชเป็นเนนควรทำอย่างไรครับก็กลับไปบวชเนนใหม่สิถ้าอยากได้มาพอเป็นเป็นคาราวาสก็ต้องทำงานต้องใช้ความคิดขอใช้ความคิดมากๆก็หยุดมันไม่ได้พอนั่งสมาธิมันก็ไม่สงบแต่เวลาเป็นเนนไม่ต้องใช้ความคิดมากก็เวลานั่งสมาธิก็สงบง่ายกว่า นั่นถ้าอยากจะได้สมาธิก็กลับไปบวชเป็นเนใหม่คำถามจากคุณนาำครึ่งแก้วธรรมชาติถ้าเราไม่ให้เพื่อนลอกการบ้านแล้วเพื่อนโกรธเราจะไม่จะไม่เล่นกับเราอีกเราควรทำอย่างไรถ้าเราจะเสียเพื่อนพวกนี้ไปก็ต้องยอมเสียใช่ไหมเจ้าคะเพราะเขาโกรธแบบไม่ค่อยมีเหตุผลใช่ถ้าครอบคนแบบนี้ก็อย่าไปครอบดีกว่าเพราะเป็นค น, า น, คน่านคนโง่ เขาไม่เห็นคุณค่าของเราที่เราปกป้องรักษาตัวเขาไม่ให้เขาเสียคนถ้าเราให้เขาคัดลอกคันบ้านอยู่เรื่อยๆเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรต่อไปเขาก็จะไม่มีความรู้ที่จะไปใช้ในการเลี้ยงดูตัวเขาเองเหตุนีเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ถ้าเขาไม่พอใจเขาไม่อยากจะคบกับเราก็ไม่เป็นไรขอให้เราคิดอย่างนี้ว่าอย่าเกงใจคนให้เก่งใจทำเก่งใจความถูกต้อง อย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อทำให้คนอื่นเขาพอใจเพราะจะทำให้ความถูกต้องเสียไปและคนที่เอาความไม่ถูกต้องไปใช้ก็จะเสียคนด้วยคำถามต่อไปจากคุณมีเจียมีป๊อปกราบรรมสการ์พระอาจารย์ค่ะ ขอสอบถามเรื่องการถวายผลไม้พระพุทธรูปได้หรือไม่คะเพราะมีคนทักว่าถวายผลไม้ไม่ได้ถวายดอกไม้ได้อย่างเดียวคะ่ะคือพระพุทธรูปกินไม่ได้นะยังไปถวายของกินไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็เลย ถ, ถวายของประดับเพื่อให้พระพุทธรูปดูสวยงามขึ้นเท่านั้นเองแต่วิธีบูชาพระจริงๆต้องวิญญาด้วยการปฏิบัติทําบุญทำทานรักษาศีล ภาวนาไปแล้วเราจะได้บูชาพระพุทธรูปอย่างแท้จริงเจ้าค่ะหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคก็หมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพพจิารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุ